ำนำูจัดิเรื่องประสบการณ์นอกกายเนื้อเป็นเรื่องที่มีความสำคัญอย่างไรเรื่องนี้ข้าพเจ้าได้เคยพูดไว้บ่อยครั้งในที่ต่างๆและได้พยายามทุกวิถีทางเพื่อที่จะหาหลักฐานมาทำการพิสูจน์เรื่องนี้ซึ่งการพิสูจน์เท่าที่ทำมาแล้วก็มีหลายอย่างโดยเฉพาะการที่ทางสำนักค้นคว้าทางวิญญาณสามารถติดต่ อ, อ ก, กับพวกโอปปปาติกาทั้งหลายได้ถึงขนาดเขียนรูปภาพออกมาได้ และยังมีการถ่ายทอดเรื่องราวต่างๆออกมาได้อีกมากมายนั้นนันที่จริงก็เป็นการเพียงพอที่จะทำให้ผู้ที่สนใจในทางนี้เกิดความเชื่อได้อย่างสนิทว่าชีวิตนอกกายเนื้อมีอยู่จริงๆซึ่งเรื่องนี้ทางฝรั่งก็ได้มีการศึกษาค้นคว้ากันมานานแล้วเรื่องประสบการณ์นอกกายเนื้อก็คือเอกสารชิ้นหนึ่งในจานวนหลายร้อยชิ้นที่ฝรั่งเขาได้จัดพิมพ์ขึ้นเพื่อราย ง, งานให้ทราบว่าชีวิตนอกกายเนื้อ เป็นสิ่งที่มีอยู่จริงๆข้าพเจ้าได้จัดพิมพ์เรื่องนี้ขึ้นมาก็เพื่อต้องการที่จะให้คนไทยเราได้ศึกษาเปรียบเทียบกับของเราว่ามีข้อที่แตกต่างและข้อที่เหมือนกันอย่างไรบ้างโดยเฉพาะหนังสือเล่มนี้มีหลักฐานที่ดีมากข้าพเจ้าคิดว่าผู้ที่มีพื้นความรู้ในเรื่องนี้อยู่บ้างเมื่อได้อ่านแล้วก็จะทาให้เราเชื่อได้อย่างสนิทว่าการไปไหนมาไหนด้วยกายทิก็เป็นเรื่องธรรมดาเรื่องหนึ่ง ที่ไกลๆก็อาจจะทำได้ถ้าหากมีความสามารถพิเศษในเรื่องนี้ถึงแม้ว่าจะไม่ได้ฝึกสมาธิถึงขั้นมโนมนยิธิก็ตามเพราะประสบการณ์ของคนบางคนในเวลาที่นอนหลับสนิทหรือคนที่ป่วยหนักตัวอย่างทำนองนี้มีด้วยกันทุกชาติทุกศาสนาถ้าเรารู้จักแยกแยะว่าเรื่องไหนเป็นเรื่องจริงเรื่องไหนเป็นเรื่องที่เกิดจากการนึกคิดเอาเองหรือเกิดจากอุปาทาน เราก็จะได้เห็นข้อเท็จจริงที่มาพิสูจน์ยืนยันว่านอกจากกายเนื้อแล้วก็ยังมีชีวิตอีกประเภทหนึ่งเป็นพวกกายทิพย์ซึ่งทางพระพุทธศาสนาเรียกว่าโอปปาติกะและชีวิตประเภทนี้เกิดจากวิญญาณของตัวเองล้วนๆซึ่งบางคนอาจจะมีชีวิตอยู่ในสภาพของกายทิพย์นี้ได้เป็นบางครั้งตัวอย่างเช่นในกรณีของนายมอนโรเป็นต้น เมื่อใด้โลกยอมรับว่าชีวิตนอกกายเนื้อมีจริงและโลกอีกโลกหนึ่งซึ่งเป็นโลกที่ตาเรามองไม่เห็นซึ่งในโลกนี้ก็มีคนมีสัตว์มีพืชและสิ่งแวดล้อมต่างๆเหมือนอย่างที่มีอยู่ในโลกมนุษย์นั้นก็มีอยู่จริงๆการยอมรับความจริงในเรื่องนี้จะทําให้โลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างใหญ่หลวงทีเดียวโดยเฉพาะก็คือคนทั้งหลายจะพากันมาสนใจในการสร้างความดีจะไม่ยึดมั่นในเรื่องวัตถุ จะไม่แก่งแย่งกันในเรื่องวัตถุซึ่งเป็นต้นเหตุที่ทําให้เกิดความชั่วร้ายขึ้นในโลกนี้เป็นอันมากโลกจะพัฒนาไปในทางที่เรียกได้ว่าวันหนึ่งโลกนี้ทั้งโลกจะเป็นโลกแห่งสวรรค์การที่จะนําโลกไปสู่สันติสุขนําโลกไปสู่ความอุดมสมบูรณ์โดยอาศัยวิธีทางวัตถุนั้นไม่มีทางเป็นไปได้ขอเดบโกรว์คิดดูคนที่มีความรู้ความสามารถมีเงินมีอํานาจ ที่จะทำอะไรได้ต่างๆนั้นคนประเภทนี้ถึงแม้จะสามารถสร้างสารรค์ความเจริญให้กับตัวเองให้กับสังคมได้แต่ตราบใดที่เขายังยึดถือในเรื่องเงินในเรื่องวัตถุเป็นเรื่องใหญ่ยังมองไม่เห็นว่าร่างกายของเขาเกิดมาจากวิญญาณทุกสิ่งทุกอย่างก็เกิดมาจากวิญญาณแต่ยังมองไม่เห็นความจริงข้อนี้มันก็เป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ที่เขาจะมีจิตใจเป็นกุศลคิดเสียสละทําประโยชน์แก่ผู้อื่นด้วยความบริสุทธิ์ใจ คนที่ไม่เข้าใจเรื่องตัวเองเมื่อเขามีโอกาสเขาก็จะมุ่งหน้าแต่จะสแสวงหาความร่ำรวยสแสวงหาอิทธิพลสแสวงหาอำนาจมากขึ้นซึ่งโดยปกติแล้วคนประเภทนี้มีเท่าไหร่ก็ไม่รู้จักพอขอให้ดูตัวอย่างบุคคลประเภทนี้ซึ่งมีอยู่ทั่วโลกความเมตตากรุณาการเสียสละอย่างแท้จริงจะเกิดขึ้นกับคนกลุ่มนี้ไม่ได้เรื่องประสบการณ์นอกกายเนื้อ ถึงแม้ในปัจจุบันนี้อาจจะเป็นเรื่องที่ไม่สำคัญเท่าไหร่นักแต่กข้าพเจ้าก็มีความเชื่อมั่นว่าในอนาคตอันไม่ไกลนี้คนทั่วไปจะมองเห็นความสำคัญของการศึกษาค้นคว้า ง, งานประเภทนี้เพราะว่าเป็นสิ่งเดียวที่จะทำให้โลกหายบ้าคลั่งในเรื่องวัตถุการสงครามและการเบียดเบียนกันในรูปต่างๆจะหมดไปจากโลกได้ก็ต่อเมื่อคนทั่วโลกได้มองเห็นความจริงของชีวิตอีกด้านหนึ่ง ซึ่งเป็นด้านที่จะทำให้เขาเข้าใจเรื่องตัวเองอย่างแท้จริงเพราะฉะนั้นเรื่องประสบการณ์นอกกายเนื้อซึ่งเป็นเอกสารชิ้นหนึ่งที่จะพิสูจน์ให้เห็นถึงการมีอยู่ของชีวิตอีกด้านหนึ่งนั้นจึงนับว่าเป็นเรื่องที่มีสาระสาคัญอย่างยิ่งและในที่สุดนี้ทางสำนักค้นคว้าทางวิญญาณขอขอบคุณพลเรือเอกอภัยศรีตากลินที่ให้ต้นฉบับและขอขอบคุณอาจารย์สิริพุทธสุขที่ช่วยแปล และมอบลิขสิทธิ์ให้กับสนักค้นคว้าทางวิญญาณด้วยหลงชื่อพรรัตนสุวรรณ26กันยายนพุทธศักราช2517